เวละโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเวลาที่เราจะต้องถือโอกาสนี้ปฏิบัติธรรมตามไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญะลาศี เสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของพวกเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งเย่งขึ้นไปตามสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้ปรารถนาไว้ในชีวิตนี้ในชีวิตนี้ขอให้เราได้ประสบกับความสุขในชีวิตนี้ขอให้เราได้ประสบกับความสําเร็จในสิ่งที่เราพึงปรารถนาในทางที่ดี นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการอยากจะให้เกิดขึ้นให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องมันนึกถึงสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆอยางที่เรานึกถึงเรื่องสติตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญ ในกายของเรานี่สติเป็นตัวที่สำคัญมากอ่าจะเป็นแม่ทัพเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราอ่าดีเป็นจิตใจที่มีมุงคน้องอาศัยสติตัวนี้ไม่มีสิ่งใดในเริ่มต้นจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น เมื่อชีวิตของเราขณะนี้ดีอนาคตมันก็ดีเมือเราตั้งต้นชีวิตของเราดีในวันนี้วันต่อไปมันก็ต้องดีเหมือนกันเพราะนั้นสำคัญที่เราจะตั้งต้นชีวิตของเราอย่างไรคือเหมือนกับว่าเออนี่เราอยากจะดีมีความสุขในชีวิตเราก็ต้องนึกสิ่งที่ถึงสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุข ไม่ใช่ป่ะอยากจะได้ความสุขแต่เราไปคิดเอาแต่เรื่องมันทุกข์มันทุกข์มันทุกข์อย่างไีมันก็เลยสวนทางกันนะอยากได้สุขแต่ไปคิดถึงเรื่องทุกข์มันก็ต้องทุกข์สิมันก็ไม่ได้สมความปรารถนาของเราเพราะนั้นถ้าเราอยากให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นไปบ่อยอ่าเหมือนกับว่าสติเป็นผู้รู้ สติเป็นผู้นำทางหรือจะว่าถ้าเปรียบเทียวเราเป็นเรือก็ว่าเป็นหางเสือของเรือที่จะบังคับเรือให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องอาศัยหางเรืออาศัยผู้ที่บังคับเรือชีวิตของเราจะไปสู่จุดไหนได้ก็เลยต้องอาศัยสติเป็นใหญ่เพราะนั้นถ้าเราจะฝึกกันจริงๆแม้จะเดินแต่ละก้าวแล้วก็ ต้องมีสติกำหนดรู้รู้รู้รู้เรานั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ต้องนึกถึงสติบ่าแล้วต้องมีสติสติหมายถึงผู้รู้ผู้รู้เพราะนั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นของขวัญอันลำ่าในชีวิตของพวกเราถ้าเรามีผู้รู้นะเพราะอะไรว่า เพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเราจรึงจะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราในขณะนี้นะ่ยคือสติเป็นผู้รู้รู้อย่างรวดเร็วฉับพลันรู้ก่อนที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอีกพระนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราบําเพ็ญว่าหายใจเข้ากดองมีให้สติสติสติสต ลุกก็ต้องให้มีสติสติสติกำกับไว้คือมีผู้รู้ผู้รู้กำกับไว้เดินไปมาทุกก้าวเดินแล้วก็ต้องให้เป็นผู้มีสติมีผู้รู้คนมีสติอยู่ที่ไหนก็มีความสุขยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง พวกสิ่งที่ทําทุกคําที่พูดทุกสูตรที่คิดออกมากรล้แล้วแต่เป็นเรื่องที่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเราถึงแม้เราจะไม่มีอะไรมากมายไกลกองก็ไม่เป็นไรเรามีพออยู่พอใช้ในชีวิตประจําวันแต่เรามีความสุขใจสบายใจก็อาจจะ ดีกว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ ว, ม, ลว ม, มีแล้วเป็นทุกข์มีแล้วเป็นทุกข์ก็อาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่พอมีพอกินแต่เขามีความสุขในชีวิตประจำวันพรานนันพระพุทธเจ้าจะไม่ใเอาเอ า, เอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นความสุขจริงๆจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่า ความร่ำรวยอย่างเดียวความสุขของชีวิตของเราอยู่ที่เราพยายามปฏิบัติจิตใจของเรามีผู้รู้คุ้มครองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเน้นหนักไปทางนี้เพราะผู้ใดละวางจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ที่มันมันกำลังดักเราทั้งทา ง, ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นไามทางใจของเราธรรมอารมณ์อิทธาลมอารมณ์ที่น่าไม่น่าชอบใจอ น, นิี้เป็นหน้าที่น่าชอบใจอันนีทาลมอารมณ์เป็นที่น่าไม่ชอบใจเรานั่งอยู่เฉยๆเมื่อก็เกิดไม่ต้องเห็นใครไม่ต้องไปพูดกับใคร คุยกับใ ค, ใคก็ยังเกิดเกิดพอใจบ้างไม่พอใจบ้างไงแต่เราเรียกอันนี้ถาลมก็คือพวกมารนี่พวออกมารมันกำลังดักใจของเรามาอยากให้เรามีความสุขทั้งเจตุริทันทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ชอบแต่ชอบคิดแต่สิ่งนั้นๆ้นนะทีนี้สิ่งเราชอบไม่ค่อยคิดเท่าไหร่หรอกสิ่งที่ดีก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ ยังพุโทโธนี่นะเป็นสิ่งที่โอ้มีความสุขที่สุดถ้าใครทําได้ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เวลาเรานึกถึงพุโทโธบางทียังไม่ถึงนาทีเลยหายแวบแล้วแต่นึกถึงเรื่องไม่ดีนี่ทั้งวันทั้งคืนยังคืนก็ยังฝันกลางวันก็ยังคิดมันคือเราปล่อยให้ ว่ากิเลสตัณหาจะบอกพวกมหาภัยเนะี่ยโลภนี่ก็มหาภัยตัวหนึ่งละโกรธก็มหาภัยตัวหนึ่งล้หลงก็เหมือนกับเป็นมหาภัยเหมือนกันเราปล่อยให้พวกมันเป็นฆาตศึกต่อจิตใจของเราเป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ให้ครอบงมจิตใจของเราเพราะนั้นถ้าเราจะฝึกให้ชีวิตของเรามีความสุขเราจึงอย่าลืมว่าสติสติเนี่ยสติอธิปไตยสเปตธรรมมาทำทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิ ป, ปตไตยไปมีสติเป็นใหญ่นี่คือสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขในชีวิตประจําวันในนอกนั้นก็ไม่มีเท่าไหรท่านทั้งหลายลองค้นหาดูซิ อา้าวโซนว่าท่านยอมรับว่าตัวเองเป็นคนสวยมีความสุขไหมไม่แน่ที่จริงนะไอคนสวยมันก็ที่จริงมันยังไม่สวยหรอกจริงๆถ้าสวยไม่ต้องแต่งที่เราว่าเราเป็นคนสวยอาจจะแต่งมากกว่าคนอื่นก็ได้ยังไงที่แต่งเพราะอะไรป๋อเรารู้ว่ามันยังไม่สวยเราถึงแต่งมันนั่นนะไงนะพนัถ้าคนบางคนอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรแล้ว คิ้วกว่าธรรมชาติตาธรรมชาติขนตากว่าธรรมชาติจะนี่อาจจะไม่ทุกข์มากเท่าไหร่สมมุติว่านะถ้าหากเราเกิดความสําคัญบรรทัดหมายตัวเองเกิดขึ้นมามันก็เลยทุกเลยทุกขึ้นมาเนี่ยตัวทุกข์อยู่ที่เรามีความสําคัญบรรทัดหมายตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นว่าเราเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่เราเปรียบเทียบว่าเรานี่ดีกว่าเขาเขาด้อยกว่าเราเราด้อยกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเสมอเขาเขาเสมอเรา เราดีเสมอเขาเขาดีดีถ้าเขาก็ดีเราก็ดีอย่างนี้นะพุทธเจ้ามาให้เปรียบเทียบมาให้สาคัญคือันเป็นทุกข์เพราะนั่นะถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งที่เราได้ไม่พอใจในสิ่งเราที่เรามีเหมือนเรากำลังสร้างคุกสร้างตลางขังตัวเองถ้าคนไหนยินดีในสิ่งที่ตัวเอ ง, เองได้พอใจในสิ่งตัวเองเม คนนั้นอาจจะดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินกู้อย่าว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้นยินดีในสิ่งที่เราได้พอใจในสิ่งที่เรามีแต่บางทีมันไม่ใช่อย่า ง, ง น, นั้นเห็นไ้มมันทำให้จิตใจของเราดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามันยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอไอ้ความอยากนะ่ะมันก็เลยทำให้เรามีความทุกข์มากท่านทั้งหลายลองสังเกตดู ไม่่าเราจะนั่งอยู่ที่ทำงานกันแล้วแต่นั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความอยากขึ้นมาปุ๊บมันจะทุกข์ทันทีแม้แต่คำว่าเราอยากจะถึงบ้านไม่ไหวมันยังทุกข์เลยดีมาดีคิดไปคิดมามันเผลอขับรถฝ่าไฟแดงอี ก, กยังมีนะฮหรือขับไปกลับมามันลืมแลวไปพักอยู่ข้างถน น, นทางยังมีนะอ้ความอยากจนทาให้เราลืมตัวก็ได้ เพราะนั้นให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันที่คุณโยมถ้าเรายังมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าสอนนะั้มีความสุขในปัจจุบันนี้ท่านจังหวะให้เราเริ่มต้นในวันนี้วันต่อไปแล้วก็เป็นบันเทิดีของเราเป็นบันเทิดีของเราทุกวันบางทีอาจจะไม่จําเป็นตกแปลงหามหมอดูเลิกดูยาก็ได้ พอเลิกยามันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราดีมากเขาไม่รู้เรื่องกับล้วสักอย่างหรอกโยมบันทิดจันนัคันพูดประหารสุกเสาเราก็มาสมมุติกันขึ้นแต่ที่จริงมันมันไม่รู้ว่าเป็นบันทิดบันจันนังคันพูดประหารสุขเสาหรอกเดินไอ้เดินเยเดินสามเดสเดินอะไรก็ว่ากันไปไปช่วยฉลุขันเถาะเราก็ว่ากันเองแต่มันไม่รู้หรอกอ่ามันไม่รู้ว่ามันดีมันชั่วกับเราหรอก สิ่งที่มันดีที่สุดคือมันให้ความยุติธรรมกับทุกคนพระจิตพระอาทิตย์มืดสว่างมันให้ความยุติธรรมกับเราทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะคนรวยคนจนคนสวยคนขี้เหล่สูงต่ำดำขาวก็แล้วแต่สูงต่ำดำขาวก็แล้วแต่มันให้ความยุติธรรมกับทุกคนหูบอดตาหนวกถึงเวลาสว่างก็สว่างถึงเวลามืดมันก็มืดใช่ห แต่เราจะไม่ยุติธรรมมันเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยเราจะไม่ยุติธรรมกับตัวเองเท่านั้นเองอย่างธรรมชาติสร้างเรามาแล้วแต่เราไม่มีความยุติธรรมกับตัวเรานี่เนี่ยมันจะทุกตรงนี้แหละคนนี้บางทียังไปโทษวันเอยเกิดบันไม่ดีบางคนว่าเออชื่อไม่ดีไปเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนมันก็เหมือนเก่านั่นแหละถ้าแค่เปลี่ยนชื่อมันรวยนำก็รรวยทั้งโลกเลยสิมันจะไปะยากอะไร ต้องไปหาอยู่หากินมาอะไรไปเป็ี่นชื่อไม่กี่ตังค์้วมันก็รว ย, ยมันไม่เป็ดมันไม่เป็นเช่นนั้นให้เราเข้าใจใหม่ยสัตว์ทั้งหลายทุกสั่งสิ่งที่ทําคำที่พูดของพ่อแม่ที่เราตั้งให้เรามาในกรรมบรรดานแล้วชื่อเป็ดทําไมไมันเปรวยเป็นเสียเป็ดนั่นซนะื้อไก่ก็บรวยเป็นเสียไก่นั่นนะซื้อหมูกัยังมีชื่อชื่อหมูนะ่ะ แต่ทำไมันรวยกว่าชื่อไอ้นายทองดีนายร่ำรวยอีกอชื่อรวยแต่จนจะตายก็มีนะนะชื่อบุญมีไปเป็นเสือพ้นคนอยู่ในค่าคนอยจนนั่นก็มนะีอันนี้หลวงพ่อก็เห็นในะเรื่องนี้นะแต่เด็กๆมันไม่แต่คิดเด็กก็จะไม่คิดตอนอบวบมาแล้วคิดตําเรื่องพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งอย่างมาไม่มีอะไรจะทําให้เราดีเราชั่วนอกจากตัวของเราเท่านั้นนะ เพราะนั้นคนเราถ้าหากว่าไม่รู้นะไม่รู้เรื่องสมมุติก็เลยดิ้นจำเขานะคุณผูมเขาพาเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยน เ, ออเขาพาทํางไรก็ทำไปหมดแต่มันก็ยังเหมือนเดิมนะนะั่นแหละถ้าเป็นหนี้ก็เป็นหนี้เขาเหมือนเดิมนะนะั่นแหละถ้าพระพูดดีงเขาก็อาจจะหาว่าเ อ, อ๊ะพระองค์นี้พูดอะไรอย่างนี้นะทั้งมันจะมีหมอดูหมอเราทําไมก็ว่ากันไปไม่เป็นไรยอมรับแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่ว ถ้าทำดีขณะ น, นี้ยมก็มีความสุขขนานี้อาส ม, มุหาใจเขาเรามีสติมีพวลุลเราให้ไม่ให้จิตของเราเอียงไปในความรักเอียงไปในความชังตั้งจิตไว้ตรงกลางๆมีสติกับเบียคาหาใจขึ้นให้เราสารวมว่าเราจะมีสติกับเวียคาไว้ตลอดเวลานี่จิตเป็นกลางๆยมจะทุกตรงไหน โลกบังธรรมรักชังบางนิพพานถ้าเรามีความรักความชังก็แสดงว่ามันยังเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ถ้าเราไปติดโลกกับบังธรรมล่ะสิเหมือนเราติดกายภายนอกเนี่ยติดกายสมมุติมันก็ไม่รู้กายจริงๆเมื่อไม่รู้จริงมันก็เลยทุกข์กับเรื่องของปลอมๆคนแล้วถ้ารู้จริงอ่ะอย่างพระ ร, รเจ้าพระทหารพระเจ้าทั้งหลายท่านรู้จริงท่านไม่ทุกข์อยู่ คุยกันมื่อเช้าอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็จํำคาพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมทั้งวันผมยังไม่คิดเรื่องอะไรเลยจิตของพวกคุณอย่างกสุนักบาเพราะมันสติไม่ดีเนาะสุนักบาปวิ่งเห็นหมูกัดหมูเห็นมากัดมมาเห็นไก่กัดไก่เห็นคนกัดคนไปเรื่อยแหละเด็กคนไม่มีสติแล้วไม่มีอะไรกัดกัดหางตัวเองก็มีนะ มอนบางคนไม่มีสติไม่มีอะไรตำหนีตำห น, นิตัวเองเกิดมาทาไมมันจึงไม่สวยเหมือนเขาเกิดมาทาไมไม่รวยเหมือนเขาเกิดมาทำไมมันเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ไปแล้วไฟลำทุ่งไปเลยละทีนี้ไม่ไปเรื่อยละทีนี้ออกจากตัวเองก็ไปหาคนอื่นอยู่ลทีนี้ว น, น่ถ้าขาดผู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นคุณชอบเหมือนรถไปมีเบรกเลย รถไม่มีเบรกทุงโยมนักขับรถทุกท่านเดินนั่งอังนตรายไหมอันตรายเนี่ยพอดีหลวงพ่อในอ่านหนังสือพิมพ์ในเครื่องบินลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งพ่อเป็นข้าราชการด้วยนะแม่ขับรถไปชน รถอีกคันหนึ่งตายทั้งสี่ตายพร้อมกันเลยตายทั้งครอบครัวทีเดียวเรื่องเกิดอยู่ทางดอกคําใต้พระเยาวนั่นน่ะมั้งถ้าจําไม่ผิดนะก็เพราะมันขาดสติตัวนี้แหละขาดสติขาดปัญญาขาดความน้อมน้มตะวังเพราอหนั้นชีวิตของเราถ้าขาดความน้อมน้มตะวังเห็นไหม เดี๋ยก็ไปชนคนน่้นเดี๋ยวก็ไปชนคนนี้ทั้งวันไม่ได้ดูตัวเองสักหน่อยเลยมื่อจะไปเพง่งเล็งคนนั้นเป็นอย่างนั้นเพง่งเล็งคนนี้เป็นอย่างนี้นะถ้าเราขาดสติเพราะนั่นน้องพ่อมาวันนี้อยากจะย้ำเรื่องว่าให้เรามีสติสติสติสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแดีวก็ให้นึกถึงบ่อยๆถ้าใครอยากมีความสุขอ่า อย่าให้กิเลสตัณหามันเหยียบย่ำแล้วเกินไปอใหญ่มันอยู่เนื้อหัวใจแล้วต้องให้มันอยู่เนื้อใจแล้วต้องให้อยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลโยมมีเงินก็จะให้โยมใช้เงินมีรถก็ใช้รถมีบ้านก็นให้เป็นเจ้าของบ้านจะให้บ้านเป็นเจ้าของเรามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้แล้วทาจิตอยู่เนื้อกับมันนี่คือแล้วใช้คําสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของมัน เราก็ไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นใช่ไม่ต้องทุกข์กับคนอื่นเราดูแลตัวเองพอละอะไรมันเข้ามาฮาัจกิตแล้วขณะนี้ก็ให้รู้รู้ถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็สลัดทิ้งนะยมอยู่นั่งอยู่ที่ไหนก็ได้หลับตาลืมตาก็ได้นั่งอยู่ที่ทำงานยมก็ทําอยู่ที่ทำงานว่าขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่นะ เราไม่ทุกข์กับเรื่องอดีตเราไม่ทุกข์กับเรื่องอนาคตนะให้เรารู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เท่านั้น อ, อย่าไปทุกข์เพราะคนใกล้ตัวอย่าไปทุกข์เพราะคนไกลตัวอย่าไปห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองทีนี้เราต้องเอาตัวเองของเราให้มีความสุขสบายทุกสิ่งอย่างอยู่ใกล้คนมีสติทุกสิ่งอย่างเขาก็พลอยจะดีไปด้วยเหมือนโยมอยู่ใกล้คนมีปัญญา คนมีปัญญาเขาไม่สร้างทุกข์ให้คนอื่นไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองก็อยู่กันยังสบายใช่ไหมฮะถ้าเราไปอยู่ใกล้คนไม่มีสติคนไม่มีปัญญาดูสิขอไปฮะใช้คำว่า ไ, ไปอยู่ใกล้คนบ้าดูสิเดี๋ยวก็รู้สึกจะเป็นบ้ากับเขาแล้วมันคุมไม่เองมันมไม่ไดนะ้เหมือนเราอยู่ดีๆคนหนึ่งมาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับมักจะเป็นกับเขานะอืม ถ้าเขาเรามีสติเอยใครจะว่าจะปากแหกชักมันไปละไม่ใช่เรื่องของเราอย่างของเขาเขาว่าเราเราอยากโกรธลงโทษเขาถ้าเราไม่ได้เป็นเช่นเขาว่าถ้าเราเป็นจริงจังดังวาจาเขาว่าเราอยากโกรธเขาเพราะเราเป็นจริงเนะี่ยเราก็กลับมาเตือนเราซะนี่คือเรามองตัวเองนะเออเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่านะนิ่งใช่ไหม คำพูดมันก็ลอยไปตามลมหมดไปเองนอกเราจะไปยึดมันไว้ทนะัวไหนไปขังมันไว้พอยมไปยึดไปขังมันไว้ก็เลยเป็นทุกขังนะพอยมไปขังมันไว้มันก็เลยเป็นทุกขังขึ้นมาเลยเป็นศัตรูเราทีนี้เรื่องของคนอื่นเน่ยจะเอามาเป็นศัตรูเราที น, นี้นิยมพอนั่งให้ยอมภาวนากันไปป่อยอาาใครยังไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ชัดเจนเอาสมมติขึ้นก่อนก็ได้ยม ให้เราอยู่กับคุณขอบพระคุณพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็ลองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุโธอะไรเกิดขึ้นมาไม่ต้องสนใจละสนใจพุทโธอย่างเดียวเอาพุทโธตัดมันไปตัดมันไปตัดมันไปเรื่อยขออภยนะัยครลองฝึกหัดสักวันหนึ่งเท่านั้นยมเห็นผลนาทีเลยเห็นผลยังไงหนึ่งยมจะเป็นคนใจเย็นลง เป็นคนเยือกเย็นหน้าจามอิม่มเอิบยิ้มแย้มแจม่มใสไม่บูดเบี้ยวละพูดจาปลาใสเกาะเป็นปิยะวาจานิ่มนวลถ้าเราเคยเป็นคนใจร้อนก็จะเป็นคนใจเย็นก็เป็นคนโน้นนั้นพันเล่นก็เป็นคนสงบลงถ้าเป็นคนเคยมองคนอื่นในแง่ไม่ค่อยดีเราก็จะมองคนอื่นในแง่ที่ดีหมด คนมีปัญญามันจะมองคนทุกคนเหมือนกันหมดเพราะเราเป็นธาตุเดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านต้องบอกให้เรารักคนอื่นเหมือนเรารักตัวเองให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยความรักรักด้วยเมตตานะอืเอาอยู่ด้วยกันถ้ามองไปนึกถึงคนใดก็ให้เราแผ่เมตตาเขาซะ นึกถึงใครกัแผ่เมตตาเข้าซะชีวิตอยู่ด้วยความเป็นผู้มีเมตตาตลอดอย่าให้เปียมล้นเหมือนคนโบราณแต่ก่อนคนมีน้ำใจคนโบราณแต่ก่อนเขาถึงบอกว่าน้ำทุ่งน้ำท่าน้ำป่าน้ำเขาน้ำห้วยน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำเพลิงสิ้นหายไม่เท่ากับน้ำใจหยดเดียวลุงพ่อยังทันอยู่นะ สมัยก่อนหน้าบ้านเขาจะตั้งตุ่มน้ำไว้สำหรับคนเดินไปเดินมามีกระบวยอ่ากระบวยมาทำาทนนี้ถ้าใครไปมาเขาก็จะดื่มน้ำอ่าที่น้ำที่มาอยู่นอกบ้านคือมันมันล้นมาจากจากในบ้านน้ำใจมันล้นมาท่านผมนะบ้านอยู่ใกล้ๆทงหนงถนทางคนเดินไปเดินมาเขาก็จะอยู่ได้กินมันหมดแล้วก็ตักไส่ยอย่างนี้ มันเต็มอยู่ตลอดเวลาคนไปคนมาได้กินรู้สึกมันเชื่นใจอเห็นคนได้ดื่มน้ำมากระหายน้ำมานั่งมาแดดเดดเดินมาแดดแดดยังไงตาแดดมากระหายน้ำมาพอได้มาเห็นน้ำเย็นๆเอ้ยมันเชื่นใจเราก็ได้ได้บุญกับพวกมันนี้ยเขาได้ดื่มน้ำที่เราตักมาใบเขากินนี่คือน้ำใจที่มันล้นออกมาทุกสิ่งอย่างมันจะล้นออกมาจากหัวใจก่อนในบาดีหรือชั่ว สังเกตดูนะถ้าปากเราพูดยังไงกายเราทำยังไงคือมันออกมาจากหัวใจทั้งนั้นมันล้นออกมาหัวล้นจากหัวใจของเรามันล้นออกมาที่ปากเห็นไหมทามันใจเราคิดไม่ดีมันล้นออกมามันพูดมันพูดก็ไม่ดีแล้วะ้ามันมาออกทางกายก็แสดงปฏิกิริยาอาการโอ้โหเดินอย่างเป็นฝีไตรักแร้เดนกลางไม่มีใครละใหญ่เท่าเราแล้ะ เป็นไปไอ้นั่นาชนไหมมันมีอัศมีมันน่ า, าคัญตัวเองมันก็ทุกแล้วคนนั่นเอโอ้ยทุกๆๆมากคนสําคัญตัวเองมากนาเนี่ยโยมสี่เหล่านี้เราก็เคยผ่านกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่เมื่อชีวิตของเรามาถึงจุดนี้เหมือนคบ้ารว่าเรียกว่าเราริืมตาอ้าปากได้คือเรามารู้จักสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็นํามาปฏิบัติซะ พอเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกอย่างเดียวนะถ้าเกิดมาเพื่ออยากมาทุกอย่างนี้โอ้ยไม่รู้จะเกิดมาทำไมเนาะถ้าเราเกิดมา เ, าเกิดมาแล้วคอยข้าพเจ้ามีทุกข์นะอย่างนี้แล้วไปเกิดมาทำไมไม่เกิดมาไม่ดีหรือเหมือนกับให้พรปีใหม่กันวันปีนี้เนาะเขาบอกว่าขอให้คุณนะ่ะเป็นคนไม่มีอนาคตขอให้คุณเป็นคนหมดเนื้อหมดตัว ขอให้คุณเป็นคนตายแล้วจะได้ผลจะได้เกิดด้วยอายยมผู้มีปัญญาทั้งหลายลองฟังหนุนิถ้าฟังแบบทางโลกก็อาจจะเอ๊อยู่ดี ด, ดีมันมาแช่งเราทั้งโลกหรือยังไงเนี่ยเอาไว้าวางะความเป็นจริงเขาพูดที่ดีที่สุดนะคนเราถ้าไม่มีอนาคตมันจะไปทุกตรงไหนล่ะไม่แค่ปัจจุบันนะไม่มีอนาคตมันก็มีไม่มีอดีตนะี่ย เหมือนพระรยเจ้าท่านไม่มีอดีตไหมนะคนมีปัจจุบันสบายน ะ, อะขอให้คนเป็นคนหมดเนื้อหมดหมดตัวอย่างเงี้ยไอ้ที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะมันถือตัวถือตนถือเราถือเขานั่นแหละเดี๋ยวนี้ฮะถ้าคนเราไม่ถือเราถือเขานี่ไปทุกข์ตรงไห น, นเพราะเราก็ไม่มีจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีจริงๆแต่เรามาสมมติกันขึ้นว่ามีเขามีเราเฉยๆมันก็เลยทุกข์ ตีเขาว่าเออคอยคนหมดคุณหมดเนื้อหมดตัวนะคือแล้วมายึดไปเถืออะไรสบายสบาอไม่มีเขาไม่มีเราไม่ยึดเขาไม่ยึดเราสบายแต่คนเราเนี่ยคอยพอในทางที่โลดศนะทีคอยคุณตายแล้วจะพูดได้เกิดไงก็ตายแล้วกไปนิพพานเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดยังก็สบายแล่สิริจงเขาแช่งอะไรไปนิพพานเราไม่ดีใจเลยแต่เราคิดทางโลกอยู่ดีทํำไมมาแช่งชักหักกระดูกเราเนี่ย ถ้าเราคิดไปในทางโลกแต่ว่าทางธรรมถือว่าเป็นคําที่ดีที่สุดพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจให้พรจริงๆอืมฟังแล้วก็เออดีใจกับเป็นข้อเตือนจิตเตือนใจของเราแล้วยาเป็นคนมีตัวมีตน ห, หมดตัวหมดตน ห, หมดเราหมดเขาซะทาอะไรกันเพียงเสื่อมประทรมไปกับเพียงเสื่อมประธรรมดังที่หลวงพ่อย้ํายบ่อยๆว่า คุณจะเดินทุกข้าวคอยคุณมีสติฝึกมาตั้งแต่เราตื่นนอนทีแรกให้นึกถึงสติผู้รู้ก่อนอืตอนนี้สมมุติว่ากายนั่งนะรูปนั่งแล้วอาจจะถ้าใครไม่รู้ก็ตื่นขึ้นมานั่งกับผู้โทพผูโทพผูโทสักหลายๆข้างก็ได้อย่างน้อยตั้งสามข้างขึ้นไปแต่เวลาเราจะก้าวลงเตียงแล้วก็ขาขวาก้าวก่อนใช่ไหมกับพุทธขาซ้ายกับโถ่ พอเรามายืนกับพุทโธพุทโธสักสามครั้งค่ะเอาเป็นหลักใจไว้จะเดินไปห้องน้ํากับพุทโธพุทโธล้างน้ากับพุทโธแปรงฟันกับพุทโธเช็ดหน้าเช็ดตาอาบน้ํากับพุทโธเนี่ยับมาแตกเนื้อแตกตัวจะมาทำม่านกับพุทโธอยู่กันน่ะให้จิตเกาะอยู่กับพุทโธดูสิพุทโธก็เลยกั้นกั้นอารมณ์ที่ไม่ดีมาให้แทะเข้ามาในจิตใจของเรา แม้จะเลือกอาหารก่อนมาทํางานแต่เคี่ยวข้าวก็พุทโทพุทโทพุทโทพุทโทเคียวข้าวดื่มน้ําก็พุทโธดื่มน้ําพุทธโทกินข้าวพุทธโทไปเรื่อยๆลุกก็พุทโธเดินไปไหนมาไหนก่อนนึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานึกอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะเข้ามาจะเปิดกุญแจรถเราเราจะขับรถมาแล้วก็พุทโธพุทโธมาเรื่อยๆมีสติ เราจะเตือนตัวเองว่าเราจะเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลานะสติสติสติเราไม่ลืมเราจะเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลามาถึงที่ไหนใครจะมองเราไม่มองเราไม่เป็นไรเพราะเรามีหน้าที่ทําอยู่แล้วหน้าที่เราอยู่ตําแหน่งไหนเราอยู่โต๊ะไหนเราจะทําเรื่องอะไรวันนี้ไนระงานของเราแล้วก็รู้ดีอยู่นีแล้วก็ทํางานของเราไปเลยถ้าแบบสดชื่นโยมจิตแจ่มใสใจเบ่งบาน ก็สบายถ้าใช้ชีวิตของเราจังนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในปา่าในเขาที่ไหนพอลืมตามันก็วักเหมือนเดิมอีกแบบีประโยชน์อะไรหรือย่างนั้นนะี่ยนั่งทั้งปีทั้งชาตินะ่ยไปอยู่ที่ไหนก็นินทากระเลาใส่ร้ายป้ายสีคุณนั่นคนนี้อยู่มีประโยชน์อะไรไปปฏิบัติธรรมอะไรเพราะไม่มีกําลังใจสักหน่อยนะคนกําลังนินทาคนอื่นอนะ่าไคนไม่มีกําลังใจ เพราะนั้นต้อ ง, งตั้งใจว่าเราไม่ติฉินเราไม่นินทาเราไม่ใส่ร้ายเราไม่ป้ายสีแล้วเราจะไม่เป็นคนพูดมากเกินไปพอเวลาพูดพพพพกกบ่อ่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่คน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่โลกนี้รู้กว่าคนทั้งหลาย เก่งกคนทั้งหลายที่จริงมันอาจจะโงก่กคนทั้งหลายก็ได้บางทีสิ่งไม่รู้ก็สร้างขึ้นมาคาดคะเนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยน ะ, ะมันก็ยังใช่ไม่ได้คุณจยมเดี๋ยวเกิดเมืองจีนจะแตกคนอยู่แถบริมแม่น้ำคงจะตายหมดกอยเดี๋ยวกว่าน้ำแข็งมันจะล่วงลงไปน้ำทะเลจะหนขึ้นมาท่วมโลก ไม่จริงหรอกวันหนึ่งหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่เชียงใหม่เชียงที่ผ่านมาโอ้โหฝนตกหนักพ่อไปถึงเชียงใหม่ไม่ตกหลวงพ่อก็บอกโอ้ที่ผ่านมาแม่กระจานนี่ฝนตกหนักเลยต้องวิ่งรถต้องค่อยคอยวิ่งกันมาถึ ง, ถ, งถึงช้าหน่อยมาพอมาถึงเชียงใหม่ไม่ตกเลยโอ้ยฝนไม่ตกไม่ชัว่วทั่วฟ้าหรอกหลวงพ่อครับมาันก็ถูกต้องสิ ถ้ามันตกทั่วฟ้าแนละ้วเราจะไปอยู่ที่ไหนสยมถ้ามันตกหนักเหมือนกันหมดเนาะมันก็ท่วมโลกเลยหลวงพ่อมันยุติธรรมแล้วตกนั้นบ้างตกนี้นบ้างถ้ามันตกมาพร้อมๆกันหนักๆเนีน่โอ้ไม่มีที่อยู่หรอกแล้วมันเป็นปู่เป็นป่าลอยน้ําอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละหลวงพ่อถึงว่าโลกมันให้ความยุติธรรมอยู่สยมทุกสิ่งอย่างให้ความยุติธรรมกับการกระทําของเราเห็นไหมเราทําดีดีกว่าให้ความยุติธรรม เมื่อเราทำดีแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรบางคนเออไม่แน่มากหลวงพ่อเนี่ยหนูเสพยา ท, ทุกวันทุกวันทำไมมันทุกใจกเกินเรื่องเนี้ยนี่อ๋อคุณเกิดชาติเดียวเลยที่คุณกำลังรับผลอยู่ในนี้มันอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมามนส่งผลให้คุณปัจจุบันคุณทำดีอยู่แต่ถ้าเราไปนสนใจมันช่าเถอะเมือราจุดแสงสว่างแล้วก็มองแต่แสงสว่างแค่นี้ มันก็อาจจะลืมสิ่งที่มันมาไปได้ได้เหมือนกันมันก็อาจจะไม่ส่งผลเพราะว่าในขณะนี้เราจุดแสงสว่างอยู่ความมืดมันก็เข้าไม่ได้อย่างนเรื่องอนาคตเอ้ยเรื่องอดีตที่ผ่านมาทาง้นปัจจุบันทำดีทำดีทำ ด, ทำ ด, ทำดีมันอาจจะลบล้างกันก็ได้อเหมือนพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าชีวิตของคนเราเหมือนเลี้ยงสุนัขไปสองตัวตัวขาวกับตัวดม ถ้าเราเลี้ยงตัวดำมากคือฝ่ายอกุสนอกุสนนระทำเป็นฝ่ายดำเขาก็จะส่งผลให้เราในทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเคยทำไปสิแต่ปัจจุบันเราเลี้ยงแต่ตัวขาว่อ้าวตัวดำไม่เลี้ยงและอุปธรรมเลี้ยงแต่ตัวขาวไปเนี่ยเราทำดีทาดีทาดีในปัจจุบันตัวดำที่ที่เราเคยไ ม, ไม่ให้อาหารไม่ให้มันก็ไม่ได้กิกนอาหารมันก็จะอาจจะวิ่งไม่ทันเราก็ได้ คนสุดทายมันก็อาจจะวิ่งไม่ทันเรามันอาจจะตายก็ได้เพราะเราไม่เลี้ยงมันนะอืออันนี้พระพุทธองคเปรียบเทียบไว้นะพระพุทธเจ้าจงบอกให้ละทำดําเสียแล้วให้เจริญทําขาวอันนี้เรามีเหตุผลนที่พูดให้ฟังถ้าคนโยมคนไหนจะค้านก็อค่อยว่ากันแต่นพูดเหตุผลให้ฟังให้เธอละทําดําเสียให้เจริญทําขาวเพราะนรยนจึงไม่ต้องวิตก วิจารอะไรทั้งสิ้นในชีวิตของพวกเราอย่างน้อยให้นึกถึงว่าเออเราจะมีสติจะมีอุเบกขาทรงสติกับเบียกขาไว้ในใจของเราตลอดเห็นเพียนเพียแต่แ่มาเห็นได้ยินเป็นเสียงแต่มาได้ยินออกินเป็นเพีย้ยนแต่มากินลดเป็นเพีย้ยนแต่บารดสัมผัส ถ, ถูกต้องก็เหมือนกันแม้จะทำอารมณ์เกิดขึ้นในใจของเราเออมันเป็นกฎของมันธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปทุกอย่าง ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เพราะกฎธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเหมือนพวกเราเกิดมาเนี่ยสมบัติเก่าของเราคือเราเอาความแก่ไปด้วยใช่ไหมเอาความแก่ความเจ็บความตายมาด้วยทุกคนนั่งอยู่นี่ไปเหมือนกันหลวงพ่อก็ไปที่เดียวกันตายเหมือนกันหมดไม่มีเหลือเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดนี่เป็นกฎของธรรมชาติคุณจะมีเงินสักปันไหนก็แล้วแต่มอนมีคุณหมอคนหนึ่งไปเยี่ยม ท่านดูแลคนชาวต่างประเทศท่านไปเยี่ยมเมื่อวานเนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าลูกมหาเศรษฐีป่วยคุณโยมนันน่าที่มันจะกระดิกตัวได้แต่บานก็ยังมีอารมณ์เล่นเกมมันอยู่แต่ชาตินี้มันไม่หายแล้วเพราะทุกสิ่งอย่างที่ควบคุมการใช้งานในร่างกายเสียไปเสแล้วถ้ามันหยุดท้คือมันชะ ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเนี่ยถ้าทอออกเมื่อไรก็ตายไปนั้นครัเป็นลูกองพีมหาเศรษฐีเมืองเนอะมารักษาอยู่เมืองไทยแล้วนี่คุณหมอจนเล่าให้ฟังแต่พ่อแม่จะไม่เงินสักปันใดมันก่อซื้อไม่ได้ความตายหรือ ก, กรรมนี่คุณยมลูกเศรษฐีเชียงใหม่ถูกสุนัขบ้ า, ากัดบอกหมอว่าหมอ หมอจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เงินถ้าลูกผมหายนะหมอคนไหนจะไปการรับแบบว่าโรคซโรคสุบดุมาสุนักบ้านไม่ใช่หายง่ายส่วนมากก็จะตายด้วยกันมันหายยากหมอคนไหนไม่กล้า ร, รับเลยคุณจะเอารถยี่ห้ออะไรคุณจะเอาเงินสักเท่าไหร่เขาให้ได้แต่เขาให้ลูกเขาหายก็ยังไม่มีใครการรับประกันนะ อันนี้คุณโยมคือสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรจะมีอํานาจเท่ากับกรรมกรรมมีอํานาจกว่าทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เราจะอะไรไปเสนอสนองเขาก็ไม่รับนอกจากว่าถ้าเรามีสติปัญญาเหมือนกับเราเป็นสาวกสาวิกาพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นไรกายมันจะพิการอย่าให้ใจเราพิการอกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่อยโรคอะไร เราจะไปเอาโรค ก, กายมาเป็นโรคใจกายมันจะเจ็บปวดเจ็บไายได้ปวดยังไงกับไม่สนใจขออภัยครับใช้คํารุญแรงน้อยว่ามันจะตายโหงตายหาวเมื่อไหร่ช่างมันไะไรเราจะเอามาเป็นโรคทางใจเราปล่อยวางมันเลยเอา้าวถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดแล้วคุณจอเพราะไหนๆมันก็จะตายแลย้วปล่อยวางมันไปเลยเนีย่ยที่เรามาฟังธรรมหลวงพ่ออยากให้เรามีสติฝึกใจกันด้วย ฝึกจนให้จิตของเราจะเหนือทุกสิ่งอยา่างเมื่อมันป่วยก็ให้มันป่วยแต่กายอย่าให้ใจอย่าไปเอาโรค ก, กายมาเป็นโรคใจปล่อยวางมสิยมทําได้นะหมอว่าน้องพ่อหรือว่าคุณยาเข็บเนี่ยเป็นน้ํามันนะสมัยเราเป็นโรคอักเสบอย่างเงี้ยมันอาจจะเจ็บหน่อยไม่เป็นไรอย่าให้ตายกันแล้วฉีกเข้าไปเถอะเราเอาใจของเราอย่าให้มันไปอยู่กับเข็บนี่จบ บางทีเราอาจจะเอาจิตจะมอวไที่ตาอะไรเพราะจิตของเราเป็นตัวเจ็บไม่ใช่กายเจ็บจิตของเราเป็นตัวเจ็บยอมเห็นไฟไหม้คนไหม้คนตายคนร้องไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใครร้องเพราะคนที่ร้องมนันนีละจิตเป็นตัวเจ็บเอาท่านอาจารยลองฝึกดูสิฝึกแล้วจะมีผู้รู้อยู่ในใจของเราตลอดเวลาจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะใช้จิตของเราได้ เวลามันเจ็บแค่ได้ป่วยมนันคุณยมจะไปนสนใจเยวมันก็นหายได้อย่างคนเป็นโรคมะเร็งคนหนึ่งคุณยมธรรมะก็ชอบพูดบยห่หรอกแต่มันอาจจะพูดเก่าที่อื่นจะมันมาใหม่ที่นี่ก็ได้คือมันเป็นลักษณะที่ว่าหมอกำหนดให้แกสามเดือนตายอ่ะไหนแกจะตายแล้วแกว่าแกก็เป็นพวกคนมีธรรมะดี อ้าวมะเร็งถ้าเธอมาอยู่กับฉันนยหมอเขาว่าอีกสามเดือนเราจะตายมาตอนนี้เราอยากจะสร้างบารมีอยู่กลับมาอยู่กับเรามาเป็นเพื่อนกันนะอย่ามาเป็นศัตรูกันเธออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นอย่าเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่โน่นเไปอยู่ที่นี่ไม่เอาอใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นพรรคพวกจะเรียกมาหัวใจคขปันความดันพวกนี้ฉันไม่ชอบ มาเธอมาคนเดียวพอละมาเลงฉันจะพาเธอใส่บาตรนะอาบุนด้วยกันอย่าล้างแกกันอมาเลงฉันจะพาเธอนั่งสมาธินะมาเลงเธอฉันจะพาเธอไปบวชชีพรามเก้าวันนะี่เก้าวันนี่อย่าไปล้งแกกันนะอาอเขาถ้าลังแกกันแนละ้เขาไปเผานะเธอก็ตายฉันก็ตายเก้าปียังยังไม่ตายการหลวงพ่อไปวัดพุทธนี่ยเขาจะมาหาทุกครั้ง เก้าปีผ่านไปแล้วยังไม่ทายสดเชิญแถมเรียนอภิธรรมด้วยเดยนี้นั่นเหตุหมาจากํำลังใจคุณยอมกำลังใจนี่สำคัญมากยังมีอีกเยอะแต่มาอยากจะพูดหลอกทนี้ที่ประสบการณ์เรื่องนี้มาเพราะนั้นกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่สาคัญเราจะไปหวังกำลังใจจากคนอื่นจอมถ้าเราไปหายใจร่วมคนอื่นนี้ ถ้าเขาไม่หายใจเขาจุดเราก็จะตายกับเขาเลยเหมือนคนชอบไปหากำลังใจจากคนโน่นคนที่ไม่ต้องยอมเรานี่แหละสร้างกำลังใจให้ตัวเราเราไม่เป็นเช่นนั้นเราไม่เจ็บใค่ได้ป่วยเราแข็งแรงดีเราไม่จนเรามีเสื้ อ, อทุกคนมีหูสองหูเราก็มีสองหูเหมือนกันเขามีผมแล้วก็มีผมเขามีตาแล้วก็มีตามีอะไรมีนเหมือนกันหมดแล้วจนตรงไหน พ่อม่กม็มีกันหมดเหมือนกันหมดนี่จะเป็นน้อยใจมันทําไมเจ้าไม่ต้องน้อยใจมันคือทําจิตสร้างกําลังใจของเราเจ้าว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่หลวงพ่ออยากให้บอกว่าชาตินี้เราจะมีเรามีความสุขที่สุดโยมก็พูดถึงเรื่องความสุขบ่อยๆบ่อยๆนึกถึงสิ่งที่เราทำแล้วมันมีความสุขพูดแล้วมันมีความสุขคิดแล้วมันมีความสุขมันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ อย่างนี้ให้เรานึกถึงสิในทางทิฏฐิไปชีวิตของคุณโยมมันก็ดีทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวนันถึงบอกวา่กวาถ้าเราเริ่มสร้างชีวิตของเราให้ดีบันนี้บันต่อไปดีแน่ปลูกพริกตรงไหนพริกปลูกมะเขือตรงไหนมะเขือปลูกมะเดือตรงไหนมะเดือปลูกมะดันก็ตั้งได้มะดันปลูกเขือไม่เป็นมะเดือปลูกพริกไม่เป็นมะเขือปลูกมะเดือไม่เป็นมะดันสร้างวุ่กุศลก็เหมือนกันแน่อนอนที่สุด เอาคุณโยมลองฝึกกันได้นะถ้าใครบ่าเอออยู่กับผู้รู้ผู้รู้สติสติสติทําอะไรทุกอย่างให้นึกถึงอย่างนี้บ่อยๆ อ, อุย้ยโยมเบาใจเลยวันนี้แหละไม่ต้องอวันไหนอถ้าจะเริ่มต้นวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็จะคิดถึงอย่างนี้บ่อยๆไม่ต้องเอามากกันมาเอาเนื้อเนอันนี่แหละหรือว่าถ้าใครจะบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธก็ได้ให้อยู่ไว้บ่อยๆ เพื่อนเห็นพูงยิ้มอยู่แต่บาดใจของเราพุทโธนะฮะอย่างเงี้ยทํางานเช่นตั้งสือแล้วจะโยมจะยกของยกอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรก็แล้วแต่นึกถึงเรื่องในชีวิบปอยขอวัดเดียวยไม่ต้องหลายวัดเหมือนเหล้ากินวัดนี้ก็มอวันนี้ข้าวกินวันนี้ก็อิ่มวันนี้ธรรมะพุทธเจ้าปฏิบัติวันนี้ได้วันนี้เลยเพราะเชื่อมั่นอย่างนั้นไะเพราะทดลองมาแล้วถึงกล้าพูดแบบเต็มปากเต็มคอ ถ้าใครใจแย่งขึ้นก็คุยกันได้อืมเป็นกรณีพิเศษพอเราตั้งใจว่าเราจะพูดเหตุผลให้ฟังว่านี่ธรรมะพุทธิจาตรต้องพิสูจน์ได้โยมแล้วเรียกให้คนอื่นมาพิสูจน์ด้วยทําแล้วไม่เบื่อคุณโยมความดีไปเบื่อทนะ่าเบื่อในสิ่งที่ไม่ไม่ดีเนาะเพระพุทธิจารย์นะเบื่อในสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเป็นสมมุติขึ้นมาอ่าเห็นไหมท่านบอกว่านิพพ า, านคือความเบื่อ อในรูปธรรมนามธรรมคือกายคือใจของเราถ้าในามองเห็นบางเหมือนอสสรพิษสี่ตัวเยนนี้พวกเราทุกท่านเหมือนเลี้ยงอสสรพิษไปสี่ตัวดินน้ำลมไฟเห็นไหมบางคนก็บางครั้งก็โอ้ยทายท้อมากมันกัดเราแล้วบางครั้งโอ้ยปวดหัวมากตัวร้อนมากอาสสรพิษมันกัดเราใช่ไหมบางครั้งท่านในมอง เ, ออมเหมือนไฟไหม้บาด เมันไฟไห ม, ม้ผมๆเราสะพึงกลัวเราคุณโยบนะโอ้โหน่ากลัวนะท่านให้มองเห็นร่างกายสังขารของเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงไม่อยากมาเกิดอีกนะเราจะไม่เกิดอีกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ที่คุณโยบบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยบําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติทั้งในปัจจุบันชาตินี้ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีเลเจริญเมตตาภาปนา ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานด้วยเถิดเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานกันใดข้าพเจ้าอยู่ในภพใดภูมิใดขอให้ข้าพเจ้าได้เจริญสมณธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะถึงพระนิพพานการที่จะมาเกิดในคันบรดาขอพินชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วต้องมีอุดมการในชีวิตของเราที่เกิดมา พอเรามาเกิดในคันบรรดากรรเหมือนอาทุกมาฝากพ่อแม่แล้วอเหมือนอาทุกมาฝากกันพ่อแม่ก็ทุกกับเราแล้วก็ทุกกับพ่อแม่มันเองมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหะโลกมันเป็นอย่างนี้เราเกิดมาเลยไม่อยากสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่อยากสร้างความทุกข์ให้แก่ใครเราก็เลยขอจะขอตั้งใจไว้เช่นนี้ความตั้งใจอยู่จุดไหนเราก็ไปจุดนั้นโยงอย่างที่หลวงพ่อบาตราล้วนึกถึงทุกมันก็ทุก นึกถึงไม่ทุกมันก็ไม่ทุกนั่นมันอยู่ที่เราคนเดียวไม่ใช่อยู่กับใครเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้ชี้แจงสิ่งและอันพนละน้อยมาสมควรแก่การและเวลาถ้าที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยดนบันดาลประทานพระพอรอใจให้ญาติโยมทุกท่านประสบพบแต่ความสุขในชีวิตให้ประสบพบแต่ความสาเร็จสมบัตในสิ่งที่ในชีวิต โดยทั่วถึงกันเทินเจริญพร